เจ็ดสปานะกะวักเก้าอุคิตะสัมโพคาสิกขาบทว่าด้วยการคบหาภิกษุที่ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเรื่องพระชพคี4 2ีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้น พวกพิสูจชาวพักีรู้อยู่ก็ยังคบหาบ้างอยู่ร่วมบ้างนอนร่วมบ้างกับภิสษุชื่ออริ tha ผู้กล่าวตูอย่างนั้นผู้ที่สงยังมิได้ทำทำอันสมควรยังไม่ยอมสละทิฏฐินั้นบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามพลทนาว่าฉะนั้พวกพิสูจชาวพคีรู้อยู่ก็ ย, ยังคบหาบ้างอยู่ร่วมบ้างนอนร่วมบ้างกับพิสูจชื่ออริ tha ผู้กล่าวตูอย่างนั้น ผู้ที่สง์ยังไม่ได้ทำทำอันสมควรยังไม่ยอมสละทิฐินั้นเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตาหนิพวกภิกษุชาพาคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ